ท่านท่านผูปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องฝ่ายบารรพชิตและพะเลหัสวันนี้มีเป็นวันสาคัญที่ข้ามาสู่เราท่านทั้งหลายคือวันธรรมสยนะเป็นวันพระขึ้นแปลข้ามเร็ยนยื่วันเวลาล่วงเลยมาและไวมาก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 อยู่ในท่านะสมมาัยหรือมาชิมมวัยหรือปัดชินมาไวก็อยู่ในวัยที่เท่าทะเลแก่ชลาเป็นปัญญาหลักชาให้เราต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาการที่พระพุทธเจ้าสอนความจริงห้าประการที่ใครจะต้องเถียงไม่ขึ้นที่เกิดมาก็งแก่ แกแล้วก็ไม่ไปไหนก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ไม่ไปไหนก็ต้องตายแลาจะมองพลาดพลาจากของรักของครอบใจา ก, กันทั้งหลายทั้งสิง้นจากไปแล้วไม่มีวันกลับมาแต่ความดีกับความชั่วติดตัวและทิ้งไว้ในโลกมนุษย์ที่เราเกิดมาในชากลคที่พบ และกวิชาความรู้ที่เราเรียนมาก็สามารถติดวิญญาณไปในอนาคตทับย์มบัติทั้งหลายาก็คงเอาไปไม่ได้ก็เป็นของสมบัติมนุษย์สมบัติในโลกนี้ก็ต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่มีใครที่ยาวติดตัวไปนอกเ น, นจากความดีที่จะทำได้และสร้างได้ ในอนาคตสัสำปรยายพบภายเบื้องหน้าเสร็จ่บไปนั้นเพราะฉะนั้นความดีจึงทำได้ยากความชั่วชาสา ม, มานทำได้ง่ายเพราะมันสบายใจไม่มีการฝืนใจและตั้งสติอารมณ์แต่การไดก็ไปเป็นปตามอารมณ์ตามใจตนตามใจตัวมั่วอบยมุก สังคมต่อต้านในชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวในชังคมของคนไทยและทั่วไปทั้งในประเทศต่างประเทศเด้วยจะในการปฏิบัติธรรมเป็นไปได้ยากมากธรรมะคือธรรมชาติของชีวิตชีวิตเกิดมาจากธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยก็คือเกิดแก่เจ็ดตายจากธรรมชาติ ดอกไม้ทั้งหลายที่วางอยู่ในทานเดี๋ยวก็ต้องเหี่ยวแลวต้องแห้งไปเป็นธรรมดาแล้ต้องหมดสภาพไปในที่สุดนี่คือธรรมะธรรมะความเป็นอยู่ของชีวิตจะอยู่ดีกิน ด, ด, ดีมัง่งมีชีสุขและการใดเป็นเรี่ยงกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเราทั้งสิด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 ก็เนื่องมาจากว่าเราไม่มีธรรมะประจําใจขาดสติสัปชัญญะและบางคนเนี่ยบอกรู้ทั้งนั้นก็ ถ, ถูกต้องรู้คนละแบบอย่างรู้คนละอย่างทั้งนั้นไม่ใช่รู้อย่างเดียวการไปตามเจริตทุงคนจริญแปล ว, ว่านิสัยนิสัยดีแปลว่าเจริญดีนิสัยไม่ดีก็เลยติถือมานะ เกิดขึ้นในตัวเองตลอดรายการไม่มีโอกาสที่จะดีได้แต่ประการใดทำทั้งหลายถึงวันธรรมโสนะเช่นอย่าพระแตกขําในวันนี้ขึ้นแตกข้ามเดยี่แลขึ้นปีใหม่มาเมื่อเร็วๆนี้จะขึ้นเดือนยี่แลเดี๋ยวก็ไปเดือนสามเดือนส่เดือนห้าเดินหกชีวิตเราก็ต้องเลื่อนไปตามเวลาของวันเดินปี มีแต่จะไหวก็จะเสื่อมลงเคยจะแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงเคยเอดทนก็ไม่อดทนชีวิตก็อยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติพระกรรมฐานการชักนำสติสอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยถ้าท่านทั้งหลาย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 กุญแจชีวิตนี้สำคัญและนาฬิกาชีวิตกุญแจที่ไขไขออกหมดทุกอย่างก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราไขาได้ทั้งนั้นแต่มันผิดรูปผิดตัวผิดฝาขาดสติทั้งปัจชัญยะมันก็ผิดตัวผิดฝาและจะให้สาเร็จตามเป้าหมายแปรารถนาที่ตั้งใจไว้ก็หมดทาง หมดทางเสียเดียวไม่มีทางที่จะดีได้ดังกล่าวบางคนเราก็ขอจเจริญพรว่านึกใส่ไม่เหมือนกันแบบอย่างก็ไม่เหมือนกันหมาที่ต่มมาพูดให้โยมฟังเสมอทุกวันพระไม่ภายกัาต้องไปน้องกันงใจทองเดียวยังเหมือนกันไม่ได้เคยพูดให้ฟังเสมอเนี่ยคู่แฝดแท้แท้คู่แฝด คนโตไม่เอาไหนเลยเกใกเสยยังสื อ, อก็ไม่อยากเรียนแต่เฮ็ดได้แล้วคนเนาะออกกองมาห้าห้านาทีสามารถเป็นด็อกเตอร์ดะจบจากสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้มีงานทาหน้าที่ดีนี่แหละคนเราเหมือนกันไม่ได้ไม่จำต้องกล่าวว่ามาจากไกลจากไกล มาเจอกันในรวมในวันละนําภาษาไลาแค่ลูกท้องเดียวกันยังเหมือนกันไม่ได้ต่างเวนต่างตามต่างเวลาตามตางสถานที่มาเกิดเราเสดจไม่ได้ไปโดนพ่อแม่ไล่คุณธํามขายคุณภาพลูกทำไ่เอาไหนเลยเป็นยาเสพติดกันแล้วก็ว่านอนสอนยากเี่ยงพอเที่ยงแม่ทาไม่ตกลักก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย พอจะน่ายการปฏิบัติธรรมจึงเป็นชีวิตสาคัญของลูกกุญแจาระขายได้ทุกแบบอย่างเหลืออีกนัยะเรียกว่าลูกอุแจชีวิตคือนาฬิกานาฬิกาชีวิตเราต้องตั้งอยู่ตลอดแต่การเดี๋ยวก็เดินไม่เก่งเหมือนอารมณ์เราเนี่ยบางวันก็อารมณ์ดีบางเวลาก็อารมณ์ไม่ดีบางเลก็ะติด ตกควางวนไม่สนใจในหน้าที่ไม่รับผิดชอบในการงานขั้งตนไหนเลยแลยชีวิตนี้จะมีค่าละ่ะเพราะคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันขยันยังไม่เท่ากันทำอะไรไม่เหมือนกันบางคนก็สามปีมั่งมีชีสุขร่ำรวยบางคนทำแค่าตายมือจะขาดทุน ขาดทุนเรื่องเองินทองยังไม่พอขาดทุนชีวิตอีแถมขาดทุนเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วเราจะไปเรียกเวลาที่ไหนกลับคืนมาแล้วไม่มีแล้วยาโด่ทั้งหลายเอ่ยถ้าเรามังกรมนไหวนะเนี่ยตอนนี้ใส่ก็จะดีขึ้นเป็นนิสัยแบบอย่างที่อ่อนน้อมคนที่ทมีธรรมะจะอ่อนน้อมจะไม่แข็ง ยังไม่ปากกล้าคาแข็งแต่ประการใดจะพูดจาอ่อนหวานอ่อนน้อมท่อมตนปากหวานตัวอ่อนมนีไปงอนก็จะเกิดขึ้นโดยลักษณะการโดยธรรมชาติทีเองคนเรานี่ไม่ใช่แตกต่างอย่างธรรมชาติเท่าไรนะคนเราแปล ว, ว่าธรรมชาติธรรมชาติที่เกิดมาอย่างนี้จะตอกเป็นอย่างนี้ แล้วก็ อ, อดีตเป็นอย่างนี้อันปัจจุบันจะต้องเป็นอย่างนั้นปัจจุบันช่างแต่ความดีตลอดกาลเนี่ไหนเลยแล้วอนาคตจะไม่ดีอนาค ต, าาคตก็ได้จากปัจจุบันปัจจุบันก็ได้มาจากอดีตคื่มันผ่านไปแล้วเราจะเรียกคืนได้แล้วจะมาลื่อนฟื้นทําไมล่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมอาฐานต้องการปัจจุบันําท อดีตไม่ให้ลื้อฟื้นเรียคนอื่นอยากคิดรับผิดชอบทำแม่มนางเฉกไปทำงานทำการทำหน้าที่รับผิดชอบเหมือนครอบครัวเนี่ยสามีปัญญาไม่รับผิดชอบสามีเป็นนักบริหารและนักปกครองแม่บา้านการเลี้ยงแคร์ศาสตร์แม่แบบแม่แผนแม่แปงดูแลบ้านชอน่องดีเรียกนอ้อยสะอาดหมดจด เรียบร้อยมั้งทองคำธรรมชาติหลอเหลาวบางบ้านไม่เอาสามีไม่เอานายบางบ้านภรรยาก็ไม่เอานายไม่ปลองดองกันเลยมีบุตธรธดาออกมาก็ใช้ไม่ได้ไม่เคยประโยชน์สอดสิผลแต่ประการใดเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของชีวิตในครอบครัวเนี่ยถ้ามีธรรมะสามีภรรยาสวดมนต์ไว้พระลูกก็จะสวดตาม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 ยกสิบนาทีสี่พันนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีชีวิตก็หมดไปตามนะแล้วชีวิตจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นเด็กเป็นสาวอีกไหมไม่ได้แน่นอนของทั้งหลายมีนจะหมดไปเมื่อจุดเทียนเล่มหนึ่งจุดแล้วจะไปไหนก็หมดไปไม้ไส้หมดไปแล้วไม้ไขไม้ที่พึ่งหมดไปแล้วมันก็หมดไปตามเท่าฐาน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 เรียนวิชาความรู้หาวิชาส่ตรงก็เป็นไปได้ง่ายได้คนที่ลดไม่สนใจธรรมะโดยธรรมชาติชีวิตรับรองทอไรไยายาหมดแก้ปัญหาเพราะไม่ได้หรืออย่ในยะหนึ่งเรียกว่าธรรมฐ า, านแก้ปัญหาชีวิตแก้ได้ทุกอย่างทำให้พัฒนาปัญญามหาปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้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 ตามใจตัวตามใจตนตามใจตกคนตลอดไปไม่มีการที่จะฝืนใจให้ได้เข้าขสุดใน ม, มุ่งหมายแห่งความดีอันนั้นแต่จากการใดการเจริญกรรมฐานเพื่อเป็นการฝืนใจให้เข้าความดีฝืนจากเดินในดงในป่าให้เข้าหงทางให้อยู่ในมะขมันคาในทางเดินสายกลาง เพื่อจเจริญสติปัจฉันสิก า, ายานุปัจฉนาสติปัจฉานกายจะยืนหรือจะเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาู้เหยียดเหยียดขามีสติฉันปัญญะกำหนดจิตแปลว่าตั้งสติกำหนดจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปที่โนที่นี่แปลว่าตั้งสติถ้าอยู่ก็จิตจิตจะฟุ้งซานไปยังไงก็ตาม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 เวทีจับโพวิหิรูได้เฉพาะตัวของเราคนอื่นรู้ไม่ได้เรามาเจริญกรรมฐานเราจะได้รู้ตัวว่าติดมันพุ่งไหมเวลานั่งคัดสามติดมาทีเนี่ยติดไปไหนบ้างจิดสนจรไปมาต่างๆคลิกเรื่องโน่นเรื่องนี่ต่างๆคลิกเรื่องมาต้องหลายปีคิกแล้วก็เสียใจคลิกแล้วก็ดีใจคลิกแล้วก็ท้อใจไหวริงอยู่ตลอดเป็นการ ต้องการตรงนี้การมาเจริญกรรมฐานาต้องการจะมาแก้ปัญหาชีวิตให้เราเอาไปใช้ตลอดชีวิตที่ให้สวดพระพุทธคุ ณ, มมคณประรรมคุณภาษาคุณก็ต้องการจะให้คุณสามประ ก, การนีประจำจิตตั้งสติประจันใจไม่ให้เราทอ้อถอยให้เราอดทนต่อการงานและหน้าที่โดยรับผิดชอบ จึงเรียกว่าอดทนเป็นสมบัติขณต่อสู่ความรู้น่ะเป็นสมบัติขกปลอดความสามารถน่ะเป็นสมบัติข้านอกประกอบเก่งความมีระเบียบผู้ชนนี้เป็นสมบัติของผู้ดีผู้ดีทําอะไรมีระเบียบก้อน่า จ, จัดสติทาอะไรมีระบบทําอะไรมีนโยบายจะทําอะไรโดยไม่ได้คิดไม่ได้เลยยับยั้งชั่งคิดไม่มีสติปัญญางานเสียหมด กรรมาฐานที่เราทําเนี่ยแปลวันหน้าที่การงานต้องรับผนครอบแล้วไม่มีการที่จะต้องไปทะเลาะกะันเฉพาะโดยเฉพาะโดยครอบครัวจะรักกันอย่างดีจะเมตตาปราณีต่อกันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อกันเสมอมามีอะไรก็หนักนิดเบาหน่อยให้อาภัยกันระหว่างครอบครัว ไม่มีการที่จะต้องเถียงถกเถียงเหมือนการคนยุคใหม่สมัยนี้ม่จะทะเลาะกันบาว่าการนานาประการเลยชีวิตนี้ท่านก็ร้อนลงเหมือนไฟไฟเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงลองไปจับหน่อยสิเอาไฟมันลนตัวเราสิลนิ้วสิร้อนหรือไม่ร้อนถึงเราจะรู้ได้ว่าไฟมันร้อนแต่เราไม่ไปจับไฟจะรู้ได้ไง การเจริญกรรมฐานต้องการให้ใจเย็นถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราใจเย็นแล้วไม่ร้อนอกร้อนใจเหมือนไฟถุมของสมเจตสมใจให้เราต้องร้อนอกร้อนใจตลอดในการใจก็เย็นเลยให้ใจยาวยางไม่ให้ใจช้าส่นเจริญกรรมฐานเดินจงกรมเช่นยืนหนอ่ห้าครั้ง ขอฝากผู้ปฏิบาตดยททำให้ได้เลยเถอะยืนหนอตั้งสติตามผิดไปอย่จาจับลายข้าวเกินที่จะยืนหนอบางคนบองคนง่ายนิดเดียวถูกต้องของท่านเอาปากเอาปากยืนแต่ไม่เอาสติอยู่กับจิดที่ยืนทบทวนชีวิตต้องการจะรู้กฎแห่งกัรว่าเราทำกรรมอะไรไว้ จะได้รู้มักกว่าอ อ, อเนี่ยเวรกรรมตามสนอผู้ปฏิบัติธรรมที่รักทั้งหลายเอใครจะบอกเรายังไงสู้ยเราบอกตัวเองไม่ได้เรารู้จริงจากตัวเองด้วยการเจริญตกรรมฐานไม่จําเป็นคนอื่นมาบอกคนอื่นบอกเรานั่งฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่ทําเราไม่ปฏิบัติเลยเยังไม่จะได้อะไรดี มันก็ไม่ได้ไม่เสมอต้นเสมอปลายแต่แตการใดชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตแต่แตการใดการเจริญกรรมฐานต้องเนื้อ ย, ยืนหนอเนอี่ยคือกายานุปัสฏฐนานกายยืนเดินนั่งนอนมือสติต้องให้ชาปะชาจะได้ชาของเล่นงานใจเร็วด่วนได้ไม่ใครดีทําอะไรเสียหมดชุกชื้ขรั่ม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 เป็นของมองมาเห็นด้วยสายตาและจิตใจเป็นของไข่ของมันเท่านั้นการปฏิบัติกรรมาฐานต้องการจะได้รู้ตัวว่าเราดูทั่วการาดาหายใจให้ยาวไว้ถ้าเดินจงกลมพยายามให้เดินช้ายกเท้ากันมาสองนิ้วยืนหนอห้าครั้งแล้วขวาลืมตาดูเวลายืนหนอห้าครั้งหลับตาอย่าไปลืมตา ต้องการจะทบทวนจิตคระบทวนชีวิตว่าเราเนี่ยเป็นการเทียบนาฬิกาเทียบนาฬิกาตัวเองว่านาฬิกาเราตรงไหมแล้วไปตามนัดแน่ไหมนาฬิการ้อยเรือนก็ไม่ตรงสักเรือนต้องมาเด็ดเทียบกันชั้นใดก็บชั้นนั้นาการปฏิบัติธรรมจึงไร้ประโยชน์มากสำหรับบุคคลที่ไม่เสนยใจ อย่างมากันเยอะจึงมาสองวันมีสามวันมีเยอะๆน้อยๆแล้วก็กลับแล้วก็เลิกเลยแค่ไหนก็จะแก้ปัญหาได้พาไปแก้ปัญหาที่หมอดูไปแก้ปัญหาที่ผีเข้าจอดสรงผิดทั้งนั้นไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ประการใดการอ่านออกบอกน้าใช้เป็นมันอยู่ที่ตัวเราดีหรือทั่วประการใดอยู่ที่ตัวเราเนั้น ไม่ใช่ใครโทษคนนั้นไม่ดีโทษคนนี้ไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีไม่ได้มองเลยไม่ได้มองดูเงาของหลังเราไปดูเงาคนอื่นเขาเงาเราขาดถืว่าขาไปมาลายรู้ไหมเราก็ไม่ทราบเลยแตเราขาดสติมาลายเมื่อนั้นอารมณ์ก็เสียจิตใจก็เลเพลา่าคา ไหลไปทางโน้นไหลไปทางนี้แล้วก็คิดหลเรื่องในเวลาเดียวกันคิดตรงไหลเรื่องในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่สติชั่งชัญญัตําหนดหน้าอย่างนี้อย่างนี้จเจริญประกรรมฐานยันยืนหน่อห้าครั้งเสร็จแล้วก็ลืมนตาดูปลายเท้าดูปลายเท้าดูที่กำหนดอริยบทต่างๆนี่ยังหยบหยาบเนี่ย หวาย่างนอได้ปัจจุบันช้า ย, ย่างหนอให้ช้าี่จุดที่จะช้าได้ทำอย่างนี้สักหนึ่งชั่วโมงเดินไปถึงนน้ก่อนแล้วก็ชิหขวาชิกซ้ายแล้วก็กลับนอกลับนอกลับนอกลับขีกลั บ, ล บ, ล บ, ลลบแปดแปดจังหวะการวิจิต แล้วก็ยืนหนออีกห้าแล้วทำอย่างนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านจะรู้ตัวเลยรออ๋ยากมากจิตไม่จอยู่กับตัวควันเอ้ยไม่อยู่กับตัวเลยเฉยๆวันนี้วันดีแต่คนไม่ดีวันเนี่ยดีทุกวันแต่เป็นวันเดือนปีอะไรดีหมดทุกวันแต่คนทําไม่ดีมันอยู่ที่วันเดือนปีมาหลายร่ะ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 เกิดขึ้นกัตัวเราโดยเฉพาะเวชนะที่เกิดขึ้นเสียใจดีใจโกรธกําหนดที่ไหนติดตาในปัจฉนาถึปัจฐานข้อที่สามที่เป็นธรรมชาติตของคลกอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เห ม, มันเหมือนเทพฤทธิเสียงไม่มีตัวตนที่ครันได้มันอยู่ในอารมณ์ลมให้ใจเข้าก็รู้ลมให้ใจออกก็รู้ให้ใจเข้ายาว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 แทงเรือแทงพายแข็งได้แทงบุญวาสนาไม่ได้ก็จึงแหละแต่ถ้าว่าอยากจะเรียนถามว่าพายเรือเป็นกันไหมลงเรือก็ยังไม่เป็นไหนรารจะจะไปพายเรือเป็นจะไปพายเรือได้ต้องมาได้ฝึกทุกอย่างในโลกสากลมนุษย์นี้สากลโลกต้องฝึกทุกอย่างเวลาพูดเราต้องหาพูด เวลาฟังก็ต้องฟังเป็นผู้ก็เป็นดูก็เป็นคือใช้ปัญญาใช้สตินั่นเองสติกาหนดโกรธทำยังไงคนโกรธจับจะให้ใจสร้างโมโหร้ายแล้วพอคนเป็นคนผูกใจเจ็ดอิจฉาลิชยาตลอดในการแต่คนให้ใจเยาๆยายาตั้งสติสัมปชัญญะไว้ลมให้ใจเข้าออกเนี่ยเราก็หายใจอยู่แล้ว อาสติย้ายเขาไปเท่านั้นเองเนีย่ยทำให้เราอารมณ์ดีเราจะได้รู้ตัวว่าเราไปโกรธเขาทำไมเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเราเราไปโกรธเขาเขาไม่รู้เรื่องเราไปโกรธล้วก็ทำตัวเราเองโดยเฉพาะไม่ใา่คนอื่นทำให้เราทำตัวเราเองโดยเฉพาะที่โกรธหนอโกรธหนอที่เื่นปีนหายใจให้ ย, ยาวไว้บางคนไม่เอา รู้อย่างที่ตธารมพูดถึงกันทุกคนแต่ทําไม่ได้ไม่สนใจที่จะทําไม่สนใจที่จะอดคนมีการปฏิบัติมีสําคัญมากธรรมานุปัชนาติปทานทำเป็นกุศลทําเป็นอ ก, กุศลกุศลละการรมคือสร้างความดีให้แ ก, ก่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเรียกว่ากรรมบตุตรเศรษกาม ดูในตัวเรากายการรมคือการ ท, ทําทางกายบาดแชกทงเวียนแต่ท่านสุดาช่างจากความดีมีปัญญาจิตใจก็เป็นผู้ชมไม่เป็นผู้ชมลกรรมแต่จากการใดเรียกว่ามโนกรรมกรรมทางจิตใจไม่ได้บอกให้เราเป็นอย่างนั้นบอกให้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกเฮยโลกมนุษย์นี้เป็นอย่างนี้คนเราเหมือนกันทุกคนไม่ได้ อย่างที่มาปฏิบัติกันบางคนก็มาในในในกลาบหนุ่มขาวผุ่มขาวเนีย่ยมาถึงก็ามาลักมือถือลักเงินลักทองลักอะไรกันที่แล้วมามีหลายครั้งนี่เลยบอกให้แต่ผู้ปฏิบัติยาวของมีกค่ามาเราว่าเราไม่แม่ใจไม่แลเรารู้ไม่ได้ว่าใครเป็นคนดีแต่เราจะไปบอกเขาว่าเป็นคนไม่ดีได้หญิงแต่เรารู้เขาได้ยังไงล่ะ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 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาไปใช้เป็นประจำตาดูหูฟังฝากนี่ตร่รีดวียนมือทำแต่ความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาปัญหามีอยู่การทุกคนถ้ามีกรรมาฐานประจำจิตใจตลอดในการแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องไปหาสารปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเราเราก็แก้ปัญหาตัวเราไม่ใช่คนอื่นมาแก้แก้ไม่ได้เนี่ย เราเป็นคนผูกอย่าให้ปเป็นคนอื่นเป็นแก้ไม่ด้เราเป็นคนผูกเราก็ต้องแก้ปัญหาตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าอ๋อเรื่องที่ิพานเราเนี่ยเราผิดบาปเลยไม่ทําไม่ผูกต้องเราจะได้มไม่ไปเฉี่ยนใครต่อไปก็คนเราเอาจะชนะกันไม่จะเถียมนันนะตลอดเลยการเหมือนสามีภรรยาจ้าชนะกันจึงทะลาะกันไม่ยอมกัน ตาตางคนต่างมีสติฉันปัญญะดีแล้วก็จะเกิดเห็นเกี่วท่านเองโดยเฉพาะอย่างอื่นไม่ได้ผหแน่นอนถ้าหาว่าเราขาดการเจริญกรรมาฐานมันก็หมดโอกาสที่จะทําดีได้การกําหนดจิดเราทําได้ทุกที่ทุกทางตาเนี่ยมันต้องดูอยู่แล้วหูก็จะต้องฟังอยู่แล้วตามูก็ได้ฟินอยู่แล้ว ลิ้นลับรถอยู่ก็แล้วแต่เวลาการการจำผาบลอนหนาวโอนแขนตลอดรายการแล้วเราก็ต้งสติสัมปชัญญะหลอกลวในกองการชั้นขานของเราอ่านออกบอกหน้าใช้เป็นอย่างนี้ท่านก็จะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมติดประตูอบายได้นรกเปรตอสุรกายฉดยาฉานท่านจะไม่ไปถึงนั้นอันาาโล่พระตายไปต้องไปเป็นเปรต อำนาจโทสะลงนรกอมายภูมิอำนาจโมหะต้องตายไปเกิดเป็นสัตว์เฉลยานบอกว่ า, าตามตำราที่พระเจ้าสอนว่าอย่างชัดเจนถ้าเราไม่สติฉันปัญญะแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ไปนรกเป็อธุรกายเฉลชฉานดังที่เราเรียกขั้นตอนี่ก็เช่นเดียวกันการจเจริญกุศลภาวนานั่นทำให้เราเนี่ย มีสติดีบำเพ็ญกายแก้ปัญหาชีวิตจะไม่สร้างปัญหาให้เดืดร้อในครอบครัวบางบ้างก็สามีภรรยาแยกกั น, นีโทรมาวันเชิญจะแยกกันจะล่องอย่ากันกระทั่งที่มีเผยสะดท้ายนี่เนี่ยคนเัานมีสร้างแต่ปัญหาไม่มีการแก้สร้างปัญหามั่งมาเขาแก้ไม่ได้รอตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ตัวเองทํา เราจะไปให้คนอื่นแก้ปัญหาทำให้เขาเดือดร้อนก็ล่าวเราไปพู้เดือดร้อนเราก็ต้องแก้เองว่าเราอย่าทำให้เดือดร้อนเลยตัวเราอย่าให้เดือดร้อนเราเดือดร้อนขึ้นมาแล้วไหนเลยแล้วคนอื่นจะแก้ปัญหาให้เราเราต้องแก้เองเดือดร้อนใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็คำนึกจำัญญาว่าเราเกิดมาปมดเป็นโเชันจะยากแล้ว ไม่มีใครเลยแเราเราเกิดมาก็ไม่เป็ น, บ น, บนใบบาทวิจาริมนุษย์แต่ประการใดอาการสามที่สองก็ครบก็นับว่าโชคดีแล้วเราย้ายโชคร้ายเลยการเจริญกรรมฐานทําให้เราโชคดีนะทําให้เรามีปัญญา ม, มาคนประกอบอาชีพการงานค้า ข, า, ข า, ายทาไรใช่านามานั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมสามีภรรยาเลิกสะลาะกัน ภรรยามานั่งกรรมาฐานสามีจะด่าว่ายังไงพ็หนึ่งก็หนึ่แล้วยกมือว่าสามีบอกว่าทําให้ขอบใจนะที่นัดด่าเร า, าเนี่ยเดี๋ยวนี้เราอดทนได้เลยทําให้ดา่าเราเราก็อดทนไม่ได้จะไปนั่งกรรมาฐานมาสามีตกใจเลยนะ่เท่าสามีก็มานั่งกรรมาฐานบ้างเลยก็ไปด้วยกันได้เลย ไม่มีการเรเลียงการทะเลาะกันให้มีเรื่องมีราวทําให้เสียสมองและก็โดยเฉพาะอย่างนีงเสียเวลาแต่เปล่าหมดเวลาทะเลาะกันไป็นสงสมชั่วโมงบางคนทะเลาะกันต้งวันบางคนก็ไม่สนใจไม่ได้โกรธกันไปเดือนมันมันทําให้เสียงานเปล่าไม่เคยประโยชน์ผลที่ผลจัดการใดดังนั้นท่านผู้ปฏิบัติทำทั้งหลาย อย่าไปเชื่อใครเชื่อเราพระพุทธเจ้าเพื่อพระพุทธเจ้าสอนให้เราดีไม่ได้สอนให้เราไปเป็นคนทั่วชาสาม า, จารจัดการได้สันโดดมากน้อยยินดีกับของที่เรามีอยู่ได้ยินดีกับของที่เราทําในเรื่องตายเรื่องศุษย์ส้งสติฉันทะชั้นยัติมายินดีของที่คนอื่นเขาจัด ก, การได้ยินดีของที่เรามีอยู่ตลอดไป อันนี้จะเป็นประโยชน์สดทิ่ผลในชีวิตเราไม่น้อยการเจริญกรรมาฐานเนี่เป็นการตั้งสติที่เราจะต้องแก้ปัญห า, าการจังร้อยขาดสติไม่ได้ทาแล้วกลับไปบ้านเลิกเลยไม่ได้กาหนดตาไม่ได้กำหนดทางหูทวารหกก็ไม่กําหนดขาดสติฉันประชัญะ่าเนี่ยฉันก็จะเหมือนเดิมอาจจะเร็วกว่าเดิมก็ได้ขาดสติไป ย, ยับยัง้งทางคิปไม่ได้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 ประการที่สองลองอังไปก็คือตั้งสติไม่ได้จิตใจเป็นกุศลไม่ได้เลยก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้ปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาแต่แต่ประการใดไม่มีสติประการที่สามลูกมาเยียนหนังสือประการที่สี่เสจสกิดไม่พอปากพอท้องหมดเงินหมดทองไปแล้วเป็นนี่เป็นสินเขาไม่พัก ไม่สามารถมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาไดา้ปัญหาที่ห้าดีได้ยังไม่พอจะเหตุการณ์ในยากจนบางคนมีเงินต้องร้อยร้อยล้านปมาบอกขอพินิจบาสให้อย่าเล่นอาการพันน้อย่าเล่นอย่าเล่นหุน้นก็ไม่เชื่อเล่นทั้งหมดตัวเลยหมดโดยไม่รู้ตัวด้วยเก็ไม่เคยช่ามันแั่นกรรมาฐานแคนที่มาจเจริญกรรมาฐานเขาจะมาเล่นอภัยมุขเขาจะมุ่งความเพรชละ ลดละความเห็นกับตัวลดละความเห็ตัวแต่ตัวมุ่งความเชื้อสละลดละความเห็นกับตัวไม่มั่วใบยมุขสร้างความสงบสุขให้กับครอบครัวทําตัวเป็นแบบกับช่างครูเกิดขึ้นได้แต่ตัวเราเนี่ยน้ากรรมฉามุ่งความเชื้อสละชื้อสละกได้ทุกย่างบางคนเห็นกับตัวจริงๆ มาเดี๋ยวโฉนจานหน้าที่การงานคนเรามันแตกต่างกันอยัางนี้ท่านทั้งหลายเหรอยลองไปดูบางบ้านบางแห่งเขาไม่สนใจายเขาไปสนใจาเรื่องคนอื่นสนใจเรื่องที่ไม่เป็เรื่องเป็นราวนินชาการเลมันเทาน้ำไม่ฉอดจามันเอาไ ม, ม, ม้มาเกลีถิ่นเทน้ําแล้วมก็แสกไปตามหลุนไปดึงมันมีอะไรฉ่นฉานในจิตใจที่เป็นกลางเวลา ที่มีประโยชน์ต่อการที่เราจะไปนินทาว่าลายใส่ลายป้ายสี้เจตการดักการเจริญกรรมฐานเนี่ยจะไม่มีการผูกปัญญาบัทใครจะไม่มีการผูกใจเจ็บใครจะให้อาภายัยเสมอและจะไม่มีการอิจฉาลิขิตยาต่าท่านภู้ใดที่เราเกิดขึ้นในชีวิตนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่อิจฉาใครการอิจฉาลิขิยานี่จะมีโทษทาประการ หนึ่งสาเหตุทีาไม่เกิดความแตกแยกความร่วมมือสองตง้องอุปสรในการประสาน ง, งานที่ดีสามขาดความกระ m a n a g ใจต่อผู้ปฏิบัติงานสี่สร้างศัตรูให้กับตัวเองสร้างศัตรูให้ชัดๆเองเลยนี่อีกฉาคนี่ห้าขาดความจริงใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยกันไม่มีจริงใจกับใครเลยชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แช่ เปคนแก่ที่ไม่น่าบิชาไม่มีใครนับหน้าถือตาแต่ประการใดการปฏิบัติที่เราต้องการทรัพย์ชื่อเสียงและความรักไปไหนมีทรัพย์มีสมบัติชื่อเสียงความรักเกิดขึ้นกัท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนงามสีที่ดีสีแบบประการดูสีอย่างทำจะได้พบจากการเจริญประกรรมฐาน ง, งามด้วยเคี่ยงแต่งกายมีทรัพย์คบ งามด้วยอวัยวะร่างกายแล้วงามด้วยมารยาททักษิริยามารยาทของงามเป็นหมดเลยงามด้วยมารยาทตลอดในการงามด้วยน้นําใจน้ําใจของงามดีใส่แบบดีทื่อซับสมบัติของตนดีชดื่อชาสกุลของตนสองดีทื่อซับชื่อเสียงความลัก สามดีที่มีวิชาความรู้ความสามารถสื่ดีที่มีสัญชาติการดูสี่ อ, อย่างที่จะเกิดขึ้นจากนั่ ง, งกับเจริญกรรมฐ า, านอย่างที่แน่นอนการดูต่อ บ, บุคคลรูกระพุณของิดามดารดารูกระพุนของครูบาอาจารย์ลูกระพุนของโบผู้บุ บ, บกาละบุบกรารีเป็นต้นการดูต่อต่อสถานที่ รูปภคุณของอาชีพการงานรูปภคุณของปถานการศึกษาที่เราได้ร่ำเรียนการวิชามาจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองรูปภคุณก็ะตันดูต่อประานที่ยังไม่พอของกระตันดูต่อความดีรูปภคุณของความดีที่เขาทาให้เราเป็นคนดีลืมไม่ได้ ดังแน่นอนเลยจำเป็นคนกตัญญูต ว, วีตีเป็นสมบัติของผู้ดีอย่างแน่นอนเป็นสมบัติยานทักนะศึกษาของชีวิตนี้โดยการกตัญญูเป็นยานของบุคคลผู้สร้างความดีออกนี่มามาเป็นต้นกตัญญูต่อตัวเองสงสารตัวเองขึ้นช่วยตัวเองต่อรักษาสุขภาพอนามายัยอย่าให้สุขภาพอนามัยต้องเสียหายไปแล้วก็ รักษาสุขภาพอนามายัยรักษาอย่าให้มัวหมองติดใจให้คล่องแพร่วงไวรวดเร็วทานใจถต้องเป็นธรรมอย่าให้เปไ ป, ปอยู่ในอมายมุกหาความสึุกในสังคมเนี่ยจะเรียกว่างามสิที่ดีสีแบบประการดูสีหยักก็จะเกิดขึ้นในตัวท่านเองโดยเฉพาะพระชันทั้งหลาย้าจเจริญพกรมมถานเพิ่มขึ้นมาก ท่านจะรู้เองว่ามนุษย์ต้องการอะไรในชีวิตมนุษย์ต้องการอะไรบ้างท่านจะรู้เองว่ามนุษย์ต้องการอะไรกล่าวให้ท่านฟังแล้วท่านจะเสียงไม่ขึ้นหนึ่งความรักไม่มีใครให้ไปไหนให้เสง่อมเสียดไม่มีให้ต้องการคนรักนะสองคนนิยมชมชอบสามความเลื่อมใสศรัทธาสี่ความมีไมจ่จีสิตนิ่ชภาค ห้าความเอาใจใส่หกความเคารพนับถือเจ็ดความมีอเมตตาแปดความเห็น อ, อกเห็ใจกันเ้าความเป็นกันเองสิบความเป็นธรรมชาติ ม, มนุษย์ต้องการเลยลเรม า, ามาเจริญกรรมฐานทธรรมชาติสิบข้อว่ามนุษย์ต้องการความรักไหมต้องการคนนิยมไหมต้องการคนเรื่องมใสใจทนาไหม ไปไหนยังให้คนเปลียดหน้ามองไว้หน้ามอ ง, มองดูหน้าไม่ติดเห็นจะบเป็นอย่างนี้ไม่ได้ควรจะโคลรวิขาดสติคนทั่วคนละพยศไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องขาวเป็นดำดำเป็นเป็นขาวเลยไม่รู้เรื่องอะไรที่อย่ากจะดึงด้าจตการดได้ขเอเจริญพรมังสวดิ์มนเป็นนิสสุขฉันถือเป็นประจำ โอโหสุขการกของจะแผ่เมตตาจะไปแผ่เมตตาเนี่ยไม่โอ้โหสุการใครจะไปโกรธคนนั้นผูกพยาบาลคนนี้แล้วเราท่านจะแผ่เมตตาออกไหมท่านจะไม่มีเมตตาต่อท่านผู้ใดเลยพอสาปแช่งทั้งหลายนี้โลกมนนี้เรา โ, โหสุการได้แล้วเราไม่โกรธใครไม่เคืองใครและไม่สนใจความชั่วชาสามานุฆทาน สมกายจะความดีให้จะความดีครับยิ่งห้ายิ่งดา่ายิ่งห่วงยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่ห่วงเราไม่อดหมดมาเรื่อยๆรืร่อยรวยนักจ่ายมียาชยาใช้เอกอ้อมาลีวัตรีไปเลาะสงเคราะห์ทุกคนท่านจะวางตนให้เป็นกลางสมปราถนานดังที่กล่าวแล้วอากจางเจริญสัตยธรรมชีวิตนี้จะมีข่าแนนอง จากการจเจริญนี้ปัจฉณากรรมฐานดังกล่าวมาดังครัางส่งแล้วอาจารย์ทแล้วจะมีอั น, นิสงสก็ขอว่ากลับไปบ้านหรือ ไ, ไปไหนแล้วกเดินจงกรมว่าก่อนจะนั่งเดินจงกรมก่อนต้องเดินจงกรมก่อนเสมอเดินจงกรมอั น, นิสงสแรงมากคือหนึ่งอ <c oughs> ดทนต่อการเดินทางกลสองอดทนต่อการมันเพ่งเทียน สามอมดทนต่อการมาเพนเพียนสามโรคภัยไ ข, ไขเจ็บหายอย่างน่าช จ, จขอ้อสี่อาหารที่บริโภคไปแล้วก็ ย, อ ย, อยอ่อยง่ายข้อห้าสมาธิที่ได้จากเดินตรงกรมน้องตั้งอยู่ได้นานมากกว่าหน้าจึงต้องให้เดินเดินเข้าไว้จึงรวมสรุปใจความว่าเหนือสี่เดินยืนเดินหน้าหนอด แล้วก็เหลียวซ้ายแหลกว่าคู่เหยียดเอยียดขาก็มีสติสัมปชัญยะดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นที่จะมาเปล่ามาเนี่ยทา่านทั้งหลายด้วยเข้าใจถึงการเจริญสัตยธรรมด า, า, างนี้สงดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันอย่าไปตำหนิใจตำหนิตัวเองดีสุดแก้วอะไรหนอจะดีดีอยู่ที่ละความชื่อ ดีที่เรามีความพิจารณาด้วยปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาให้รู้จักในการชีวิตนี้คือมีค่าจากการกระทําทั้งหมดที่เรามาจะขึ้นข้ต้นนี้ทําให้ชีวิตมีค่าการกระทําดีหมดทุกอย่างกระทาให้เราอดทนด้วยใครกัพูดจะอะไรจะด่าจะว่าอะไรเราก็ตั้งพระติไว้ที่หู ฟังแล้วอย่าไปรับอย่าไปรับเอาคําทั่วชาสามาให้คนอื่นมาใสา่ใจให้มันลุ่มลุ่มลอยไปทําไมไม่เกิดประโยชน์เลยบางคนที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะไปรับกันมามึงคํากูคําด่ากันไปด่ากันมาว่ากันไปว่ากันมาก็ปล่อยการตีการทะเลาะกันถึงอยาก่าวความตายเนี่าเพราะเหตุดังกล่าวเราไม่ไปรับเรื่องความเที่ยงของคำเขาจะด่าจะว่าไง ททั้งหลายเอยเราจะให้ทุกคนคุรากเราทุกคนคงไม่ได้แล้วเราก็อยากไปเสียชดทุกคนเราจะมองคนในแงด่ดีจะไม่มองคนในแง่ร้ายต่อไปจะมองสหงนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวนันที่สมศาสนาเนะี่ยกล่าวมาเช่นียวกันดังนั้นขออนุมโมทนาแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านโลด้วยจังใจ ทำลายทําด้วยความตั้งใจเธอดต่เอเถิดที่สุดแล้วทําด้วยความเคารพทาด้วยจิตสงบทําด้วยความถูกต้องเส้นเชื่อไม่ถูกต้องอย่าไปทำเคารพตัวเองพูดและต้องทําเคารพสถานที่เคารพปฏิกาที่นัดหมายไว้ตีละทางและต้องไปต้องเดินตรงกรมนะั่งกรรมฐานอะไรทั้งนองนี่เป็นต้นและเคารพกฎหมายเคารพระเบียดนี่นาย ให้เป็นไปด้วยดีดังที่กล่าวและกุศล า, า, านี่ได้จากการฌานที่ทําให้เรามีระเบียบทําให้เราเพียบเรียนนายตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกันสุกันนั้นเป็นหลักสำคัญท่านตั้งใจใจไว้เถิดพระเจิาที่สุดแล้วสางอารมณ์ดีๆไว้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันทําให้เสียงานเสียการจะทําอะไรก็ไม่ผลเป็นเช้าค้าแม่ค้ากับขาดทุนถ้าเราอารมณ์ดีเนี่ยค้าขายก็ได้กําไร ทำงานก็สำเร็จอารมณ์ไม่ดีเน่ยทําอะไรเสียหมดเจ้งหมดไม่ได้มากใน้ผลแต่ประการได้ใจดีอาการเป็นคนใจดำใจสูงอาการเป็นคนใจต่ำใจงามก็กายป็นคนใจงา่าคนไหวใจได้กลายเป็นคนโลเลคนมีเสน่อยก็กลายเป็นคนน่าชังคนพูดหน้าฟังก็กลายเป็นคนพูดไม่เข้าหูคนพูดไม่เข้าหูคนเนอารมณ์ไม่ดีนี่แหละท่านทั้งหลาย นานิวหนิวคือคิว้วก้มวดคนที่มีเมตตาจะยิ้มหนอกยิ้มนายิ้มแย้ม แ, มแจ่มใสสั่งใจสุนทรนาเจราจาตะเลาะสองเคราะเพื่อเพื่อถาบเหลือให้ดูกันในสัมพันธ์ของในตรีจะตัทั้งนาสารพัดในปตาาัตตพีเอาไม่จริแยกได้ยังใจจง <c oughs> <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นอย่างท่านทั้งหลายดังกล่าวแล้วคือท่านนี้ขออนุโมทนา ความอำนาจคุณปัจฉิและเจนาการอำนาจบุญุษย์ทั้งหลายโปรประทานพรให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกรูปทุกนามโดยการทงประสบแต่ความสุกดิ์สิทินิรันดรของทรงเจริญแต่ติริยละพรชายศิริการไม่อายุขอเยืนนานวโนผิวฟันกล่องใจสุขขังค่อยสุขภาพกายนามายที่ท่านโปรดไปใจดีโลกภัยกรเจ็บมีกระโปรดท้ายจึงทั้งหลายทุกทิศว้ยนบัตินี้ จะติดต่อไปโอกาสหน้าจงพลางานเกิดความสำเร็จปริบัติผลพร้มแจกจันท ง, งความมึงมาปัญนาด้วยการทุกดุทุบนมณโอกาสบบตนี้เชิญขอจเจริญพรทุกท่าน